ในช่วงเวลาเช้าของทุกวันข้าพเจ้าก็จะมาพบกับท่านบุฟังเพื่อที่จะมาพูดกล่าวสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่เป็นวินัยธรรมนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าแสดงเอาไว้แต่เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคประกาศเอาไว้แสดงเอาไว้ข้าพเจ้ามาทำหน้าที่ในการบอกต่อคาสอนที่พระบุรเจ้าประกาศไว้ดีแล้วคาสอนที่พระบุตรเจ้า แสดงไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นเราจรึงควรที่จะมาฟังในะครับซักคนใดคนหนึ่งรู้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเรารู้ทำในสิ่งที่เรายังไม่รู้คนหนึ่งเขารู้เขาเห็นแล้วแล้วเขามาบอกต่อให้เราฟังอันนี้เป็นสิ่งดีเพื่อที่จะแบ่งปันแบ่งปันธรรมะนั่นเองท่านผู้ฟังแบ่งปันธรรมะเป็นธรรมฐานเราเอาเนื้อหาธรรมะมาปฏิบัติในชีวิตประจาวันของเรา เช่นการรักษาสีการไม่พูดวาจาหยาบคายการไม่พูดยุยงให้แตกกันอย่างนี้เป็นต้นนะเราทําตรงนี้ได้เราก็แบ่งปันธรรมะที่อยู่ในใจของเรานะให้คนที่อยู่ข้างๆเราได้รับความสุขความร่มเย็นด้วยเรามีเมตตามีความหวังดีปรารถนาดีแก่เขาแนะคนข้างๆก็ได้รับอนิสงส์รับกระแสธรรมนะเรียกว่าให้ธรรมะเป็นทานเหมืกันเพราะฉะนั้น เวลาที่เรามาพิจารณาฝึกฝนปฏิบัติเนี่ยเราจึงจะต้องมีกําลังในการทํากําลังในการปฏิบัติจําได้ก็อย่างหนึ่งนะท่านฟังจําได้ก็อย่างหนึ่งเอามาทําได้ก็อย่างหนึ่งใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยเรียนสูงมากจําได้หมดรู้หมดทั้งบาลีสันสกฤตโอ้โหนี่ดีมากดีมากข้าพเจ้าก็อยากจะมีความรู้แบบนั้นเหมือนกัน แในความรู้ของเราพวกนี้จะนําเข้ามาสู่ในใจได้นะเป็นกําลังของใจได้แตนะ่เราต้องมีเรียว่ามีมีคุณธรรมบางอย่างที่จะทําให้เปลี่ยนเจ้าความรู้ทั้งหลายต่างๆเหล่านั้นมาเป็นกําลังมาเป็นสิ่งที่เราเข้าไปในใจคนที่ไม่ได้เรียนสูงอาจจะรู้แค่ไม่รู้ภาษาเขียนด้วยซ้ํารู้แค่ภาษาพูดก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีกําลังตรงนี้ไม่ได้ นะซึ่งกําลังในใจของใครสักคนใดคนหนึ่งในการที่จะพาคุณไปสู่ความเป็นผู้สําเร็จผู้รู้ธรรมะอย่างแท้จริงนะตรงนี้ก็คือบุคคลที่เรียกว่าเป็นเสขะบุคคลบุคคลที่ยังมีความจํานวนหวังที่ยังจะต้องทําความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นก็เรียกว่าเสขะบุคคลซึ่งคนที่จะทําความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้อะไรเป็นกําลังของคุณที่จะเอาความรู้ ที่คุณรู้มากก็ตามรู้น้อยก็ตามขอแค่สักอันเดียวขอแค่สักอย่างหนึ่งที่เข้าสู่ใจแล้วจะทําให้เราเป็นอาเสขาบุคคลนะอาเซขาบุคคลคือบุคคลที่ลุถึงที่ต้องประสงค์แห่งใจแล้วนะก็คือบรลูนิพานนั่นเองเป็นป ร, รารันหมดอาสวะสิ้นอาสวะนะเป็นผู้ไกลาจากกิเลสกําลังในที่นีนะ้เราได้พูดถึงกันมาแล้วกนะ็คือเรื่องของศรัทธา คือความมั่นใจความมั่นใจความอย่างลงมั่นความมั่นคงในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านับว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสรู้มาความมั่นคงความมั่นใจตรงนี้หาได้ที่ไหนนะหาได้ในโสตบัญญบุคคลนั่นเองโสตบัญเป็นผู้ที่มีความศรัทธามีความมั่นใจอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหว ใ, canvi? ในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีความศรัทธามีความยังลงมั่นไม่หวนไหวในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนในคำสอนนี้มีความศรัทธามีความมั่นใจอันยังลงมั่นไม่หวนไหวในการปฏิบัติในการปฏิบัติดีปฏิบัติตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแะจะเป็นการปฏิบัติของตัวเองก็ตามจะเป็นการปฏิบัติของบุคคลหนึ่งก็ตามแต่มีความมั่นใจตรงนี้ มั่นใจในว่าใครสักคนใดคนหนึ่งจะเป็นตัวเราก็ตามเป็นคนหนึ่งก็ตามที่เขาทําแล้วปฏิบัติแล้วตามกระบวนการที่ผู้เช่าสอนก็นจะเป็นคนดีขึ้นมาได้คนมันกลับใจได้ท่านฟังแต่คุณมีความมั่นใจมีความศรัทธามีความอย่างลงมั่นไม่หวนไบทในกระบวนการตรงนี้เรียกว่าคือศรัทธานั่นเองแต่ศรัทธานี้หาได้ที่ไหนในโสตบันบุคคลอย่างที่ว่าไปนอกจากนี้นอกจากสมข้อนี้ บุคคลที่เป็นโสตบันนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีศีลด้วยเพราะฉะนั้นโสตาประเดียงคัสีคือการความศรัทธาในพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะข้อที่2การความศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าและข้อที่ 3. ความศรัทธาในการปฏิบัติของตัวเองก็ตามของคนหน่งก็ตามแล้วก็ที่สี่คือเรื่องของศีลความเป็นปกติในชีวิตที่เขาเริ่มเนินชีวิตที่ทําให้เขาล่วงพ้นจากภัยเวรที่ จะพาไปในรถกำเนเดรัชนันบุคคลที่มีสี่อย่างนี้นั่นแสดงถึงความที่คุณมีศรัทธาอั น, นอยังลงมั่นไม่หวั่นไหวมีความมั่นใจมีความมั่นคงความศรัทธาตรงเนี้เป็นกําลังท่านผฟังเป็นกําลังที่จะพาใครสักคนใดคนหนึ่งให้เดินไปให้นําความรู้ที่ตัวเองรู้ที่ตัวเองเรียนที่ตัวเองจําได้เข้าไปสู่ใจเข้าไปแล้วเป็นยังไงกิเลสมันจะลอกออกท่านฟังกิเลสมันจะกระทาอออก ยังในเรื่องของของศรัทธาเนี่ยเราจะเห็นแง่มุมของศีลอยู่ด้วยแต่บางคนจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมในกําลังของเสขบุคคลที่เคยเล่าให้ฟังพูดถึงเรื่องของศรัทธาหิริโอตบะวิริยะปัญญาบางนิยะก็พูดถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่ไม่มีเรื่องของศีลเลยศีลเนี่ยอยู่ในข้อสึงศรัทธานี่ไงทานผู้ังแต่ถ้าใครสักค น, คนหนึ่งมีศรัทธาแล้วแล้วคุณจะมีการปฏิบัติ แล้วคุณมีการปฏิบัตินั่นคือเรื่องของการวิริยะในะวิริยะคือคือความทําจริงเอาจริงแนวแน่จริงนะทําจริงในเรื่องอะไรในเรื่องที่จะเอาอากุศลแลธรรมออกจากใจในเรื่องที่จะไม่ให้กุศลอกุศลแธรรมมันเข้ามาในเรื่องที่จะทําให้กุศลที่เรายังไม่มีเนี่ยให้มันมีขึ้นในเรื่องที่จะทํากุศลที่เรามีอยู่ให้มันเจริญมากยิ่งขึ้น ความเพียนตรงนี้แต่บางคนก็แปลว่าเพียนบางคนก็แปลว่าความพยายามบางคนก็แปลว่าความกล้าบางคนก็แปลว่าการทําจริงแน่แน่จริงได้ทังนั้นมีความหมายคล้ายคลึงกันตรงที่ว่าเราทําทํายังไงเอาอากุศลออกทํายังไงเอากุศลเข้าทําในลักษณะนี้สีมันก็มาโดยอตโนมัติแต่บางทีสีมันยังไม่เกิดคือคือยังเกิดบ้างนิดๆหน่อยๆ ยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างศีลบางคนอาจจะจะทำได้แค่ไม่ถึง5ข้อในยังรักษาบางข้อไม่ได้ซึ่งตรงนี้จะเป็นกําลังตำหฝั่งถ้าใครมีศรัทธาฮิริโอตปาวิริยปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ย จ, จะทําให้ศีงของคุณบริบูรณ์ได้มันอาจจะบริสุทธิ์อยู่บางข้อแต่มันไม่บริบูรณ์ทุกข้อและเราก็ค่อยๆทําจะสังเกตเห็นว่า สองนัยยะไม่เหมือนกันข้นน็แรกมีหิริอตตปะแต่ว่าไม่มีสมาธิไม่มีสติข้อที่2ไม่มีหิริอตตปาแต่มีสติแล้วก็มีสมาธิอันนี้เป็นการแสดงให้เห็นท่านผู้ฟังเป็นการแสดงให้เห็นว่าถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งมีหิริอัตตปะคือความรู้สึกผิดชอบช่วยดีพอคุณทำความเพียรแล้วเอากุศลธรรมใส่เข้ามากพัฒนากุศลธรรมให้เกิดขึ้น เอาอกากุศลธรรมออกไปจิตคุณจะเริ่มมีสติได้จิตคุณจะเริ่มมีสมาธิได้บางคนที่มีศรัทธาในคำสอนของพระุชเจ้าก็มีแต่ว่าเขาไม่มีสมาธิอาจจะจะมีสมาธิในลนักษณะที่ไม่เป็นรูปแบบนะคิดอ่านการงานได้อยู่ผู้รู้เรื่องอยู่ประชุมงานได้อยู่แต่พอหลับตานั่งสมาธิปุ๊บมันฟุงส่านวุ่นวายมีนิวรนครอบงาง่วงไป นะฟุ้งซ่านไปนะสมาธิแบบนั้นเขาอาจจะไม่มนะีซึ่งอันนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่ากําลังยังไม่สมบูรณ์ยังไม่บริบูรณ์นะเราก็ทํากําลังให้มันดีขึ้นมีฮิริอัตตาามากขึ้นทําศรัทธาของเราให้มันดีขึ้นในเรื่องของศีลที่เป็นส่วนที่อยู่ในศรัทธาให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์นะสติก็จะมาได้สมาธิก็จะมาได้การเดินทางมามันก็ใช้เวลาบางมันอาจะใช้ความลําบากบาง การเดินทางไปตามเส้นทางที่ถูกต้องนะท่านผู้ฟังบางครั้งการปฏิบัติตามตามธรรมบางครั้งการมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะมันยากมันทํายากตรงที่ว่ามันต้องทวนกระแสแล้วคนหนึ่งเขาโกงกันคนหนึ่งเขาให้ร้ายกันคนหนึ่งเขาแก่งแย่งชิงดีกันเราอยู่ในกระแสที่ปัญหาพาไปเราจะทวนกระแสตรงเนี้บางทีมันยาก บางทีมันต้องใช้กําลังสูงบางทีมันเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจบางทีเราก็ไม่มีสมาธิไม่มีความสงบในใจบางทีเราก็ไม่มีสติบางทีก็ฟุ้งซ่านไปนั่นนี่แต่ขอให้มีศสติขอให้มีความละอายความกลัวต่อบาปขอให้มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแต่ตรงนี้คือชื่อว่าคุณทําความเปลี่ยนแล้วคุณทําความเปี่ยนแล้วแล้วคุณเป็นคนที่ทําจริงแล้วคุณเป็นคนกล้ากล้าในการที่จะสวนกระแสสวนกระแสของหมานแต่ว่าก มันไม่ได้พาเราจะพาเราไปดีมีแต่พาเราไปทางชิบหายทางเสื่อมแล้วเราสวนกระแสมันด้วยความกล้าที่อยู่ในใจของเรานั่นคือวิริยะใครสัคนใดคนหนึ่งจะมีกําลังในการที่คุณจะมีวิริยะในการที่จะมีคุณมีความกล้าทําจริงแน่วแน่จริงคุณต้องมีศรัทธานะคุณต้องมีความมั่นใจว่าไอ้ที่คุณทําเนี่ยมันจะนําความสุขนำความดีมาให้คุณได้คนท่านผู้ฟังลองคิดดูสิบางคน ปฏิบัติธรรมบางคนพยายามที่จะทําตัวเป็นคนดีในสังคมสิ่งเวดล้อที่มันโห้แย่มากนะเขาก็ด่าว่าเรานะมันเป็นเรื่องที่ที่ทวนกระแสมากๆนะเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีความสุขเพราะฉะนั้นเขาจะทําตรงนี้ได้เนี่ยเอ่อมันมันต้องมีความกําลังใจสูงนะกำลังใจตรงนี้คือวิริยะกําลังใจตรงนี้คุณต้องมีมาจากความมั่นใจนั่นเองความมั่นใจในคําสอนความมั่นใจในวิธีการปฏิบัติ ความมั่นใจในผู้สอนแต่ความมั่นใจในการปฏิบัตินะว่ามันจะต้องได้ผลกูมีความมั่นใจคุณทําได้นะซึ่งกระบวนการการทาพูดถึงวิริยะสติสมาธิปัญญานะวิ ร, ยะะว ร, ยริยะล่ะวิริยะรายละเอียดที่มันสมบูรณ์รายละเอียดที่มันบริบูรณ์ของวิริยะนั้นคืออะไรนะก็คือสัมปทานสี่นก็ได้เคยตรัสไว้อยู่สองในยะด้วยกันอั น, นแรกก็พูดถึง การละอกุศลสองอย่างก็คือป้องกันอกุศลใหม่และละอกุศลเดิมอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกุศลแะก็พูดไปถึง2อย่างก็คือการทํากุศลใหม่แล้วก็ทํากุศลเดิมให้เจริญขึ้นและก็4อย่างธรรมะเนี่ยทั้งหมดมันมันเชื่อมกันหมดทั้งฟังนะไม่เชื่อมทางนี้ก็ไปเชื่อมทางหนึ่งอีกในยันหนึ่งที่พูดถึงเรื่องสมรภูฐานสที่เราปกติพูดถึงเรื่องวิริยะเนี่ยนะ หนึ่งในกำลังของไสยขบุคคลเนี่ยก็คือเปรียบเทียบกับการละอกุสน์การละอกุศนก็คือการที่คุณทําสัมมาสังกปะนั่งละมิจฉาสังกปะความคิดทางการพยาบาทเปลี่ยนละออกไปนั่นก็เท่ากับข้อที่คุณละอกุสน์การป้องกันอกุศลในพระเจ้าก็เคยยกถึงการสํารวมอินรีนสังวรประทานความเพียรด้วยการสํารวมก็ได้และก็มาสนับสนุนเรื่องการป้องกันอกุศลใหม่ไม่ให้มันเข้ามา โดยการที่เราสํารวมมินสีรู้จักป้องกันตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราส่วนเรื่องการที่ทํากุศลธรรมใหม่ไหนให้เกิดขึ้นทํากุศลธรรมใหม่ให้เกิดขึ้นนั้นก็พูดถึงเรื่องของการเจริญโพชงนั่นเองเจริญโพชงก็คือเป็นการพัฒนาเป็นการพัฒนากุศลธรรมใหม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วการรักษารักษากุศลธรรมที่มีอยู่เดิมแล้วนั่นก็พูดถึงเรื่องของการรักษาสมาธินิมิตที่เกิดขึ้น นั่ก็บุยบายองนญยยอย่างนี้นี่คือเรื่องของความเพียรซึ่งจะเป็นกําลังของเราได้อีกที่นึงก็เคยตรัสถึงเรื่องของความเพียรทางกายก็มีความเพียรทางใจก็มีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราทํางานอยู่ข้างนอกก่อสร้างบ้างเป็นคนงานบ้างหรือทํางานในออฟฟิศไม่ได้ใช้แรงงานมากก็ตามแต่ทั้งสองประเภทเราก็ทําความเพียรได้เหมือนกันแต่เพราะว่าการทําความเพียร น, นี้เป็นความเพียรในเจตร่างกายจะถูกกระทบโดยสิ่งใดๆก็ตาม แต่ถ้าจิตของเราทรงไว้ได้อย่างนี้ในะความเพี่ยนทางกายตรงนั้นก็ตามความเปลี่ยนทางจิตตรงนั้นก็ตามก็ชื่อว่าเป็นการทําความเปลี่ยนเหมือนกันพอใครสักนคนใดคนหนึ่งทำความเพี่ยนแล้วนใะนมันอาจจะยังไม่ได้เกิดสมาธิอาจจะยังไม่ได้เกิดสติอันนั้นก็ถือว่าเป็นปัญญาของคุณในการที่คุณจะต้องมีในการที่คุณเห็นแล้วนะว่าบางทีความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ดับไปความทุกข์ตั้งอยู่นะมีทุกข์เท่านั้นเกิดมีทุกข์เท่านั้นดับแต่ยังวางไม่ได้หรอกในเห็นแล้ว แ่ยังวางไม่ได้แตนะ่ก็ยังมีคระทุ่ความทุกข์กลุ่มรุมอยู่อันนี้อาจจะเป็นไปได้หรือถ้าเริ่มมีสติแล้วก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันแตนะ่คือถ้าเราพัฒนาไปเรื่อยๆนะ่ะปฏิบัติไปนะ่ะมีกําลังที่ค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นมีกําลังที่ค่อยๆบริบูรณ์ขึ้นไอ้ความสมบูรณ์บริบูรณ์นี้ก็จะทําสติให้เกิดขึ้นได้สตินี้อยู่ที่ไหนนะความเต็มความบริบูรณ์ของสติ ของเสีขาบุคคลของคนที่ยังต้องทําการศึกษาเป็นกําลังที่คุณจะต้องทําให้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปเต็มอยู่ตรงสติปฐาน4ก็คือฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนั่นเองแต่เราจะระลึกถึงที่ไหนได้บ้างมอยูสีที่ท่านผู้ฟังแม้ว่าคุณจะไปไหนคุณจะต้องระลึกถึงสี่ที่นี้คือระลึกถึงในกายก็ตามระลึกถึงในเวทนาก็ตามในจิตหรือในธรรมแต่เป็น4ที่ที่เป็นที่เที่ยวไปของจิต เราจะเดินทางไปไหนจิตของเราให้อยู่ในสีที่นี้ที่ว่าคุณได้รับการรักษาเป็นผู้ที่มีสติและสติตัวนี้ก็เป็นผลมาจากอะไรล่ะเป็นผลมาจากความเพียรนั่นเองนนหนึ่งในความเพียรที่พูดถึงความเพียรด้วยการป้องกันความเพียรด้วยการสังวรสังวรก็คือการคุณต้องมีอินทรีย์สังวรคุณจะมีอินทรีย์สังวรได้คุณต้องมีสติบ้างคุณทําสติของคุณให้บริบูรณ์ขึ้นให้บริสุทธิ์ขึ้นและมันก็เป็นสติประฐาน4ี่ขึ้นมาได้ ก็เป็นผลจากความเพียรนั่นเองเวลาเราทํำสตรีฐาน4ี่ให้ให้บริบูรณ์แล้วน่ะจิตมีที่ตั้งที่ระเลิกถึงไม่วุ่นวี่วุ่นวายไปตามสิ่งที่มากระทบน่ะพอที่จะตั้งมั่นตั้งเที่ยงอยู่ได้บ้างไอ้ความเที่ยงความมั่นความเป็นหนึ่งตรงนี้นั่นคือสมาธินะซึ่งสมาธิจะไปสุดที่ไหนจะเป็นบริบูรณ์ที่ไหนจะไปสมบูรณ์ที่ไหนก็ไปสมบูรณ์ที่ในฌานทั้ง4ีน่ฌานขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้ถือว่าใช้ได้ทั้งนั้น จะเป็นชานหชานสชนาชานสช า, ชาในที่นี้หมายถึงการควบคุมจิตในลักษณะที่ไม่ให้จิตเรามีนิวรในลักษณะที่ไม่ให้จิตของเราถูกกู้บังคับมากเกินไปแต่เป็นการลักษณะการควบคุมจิตให้มีอารมณ์เดียวซึ่งในอารมณ์เดียวนี้น่าจะมีส่วนประกอบหลายอย่างเหมือนเนื้อขนมที่เราเห็นว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ย มันไม่ใช่เป็นมีแต่แป้งอย่างเดียวมันก็จะมีน้ำตาลมีน้ำมันมีเนยมีอะไรผสมอยู่บ้างแต่เห็นเป็นเนื้อเดียวกันเช่นเดียวกันจิตที่เป็นสมาธิไม่ใช่ว่าในจิตนั้นมีแต่จิตอย่างเดียวมันอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือมันอาจจะมีส่วนประกอบขอย่างอื่นก็ได้แต่ซึ่งในที่นี้พรุทธเจ้าได้แยกย่าไว้ว่าถ้าอย่างอย่ในกรณีของการควบคุมในระดับที่1ชาญในระดับที่1คือคุณก็ยังมีปีติมีสุขมีความคิดนั่นนี่โน่นอยู่บ้างแต่ว่ามันมันเป็นหนึ่ง นะมันรวมเป็นเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเบ็ดแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่นี่ก็คือลักษณะของฌานที่1ถ้าเป็นฌานที่สนะี่นคุณก็มีแต่อุเบกขาล้วนๆนะความที่เป็นจิตมีอุเบกขานะแล้วก็เป็น1ตรงนี้แนะอุเบกานั้นความนิ่งตรงนั้นก็เป็นลักษณะของฌานที่สีนะความที่เราแน่วแนนะ่ในระดับนั้นซึ่งจะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ที่ตรงนี้และเมื่อใครทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ มีจิต แ, แน่ๆเป็นอารมณ์มันเดียวสิ่งที่เขาจะจะเห็นสิ่งที่เขาจะพบในความที่จิตเป็นหนึ่งนั้นนั่นะคือการที่เห็นตามที่เป็นจริงว่าจริงๆสิ่งที่เขาอยู่ด้วยนั้นสิ่งที่เขาเห็นนั้นสิ่งที่เขารู้สึกสัมบัติได้ในขณะนั้นจริงๆมันเป็นอย่างไรซึ่งการเห็นตรงนี้ก็เรียกว่าปัญญานั่นเองนั่นเป็นเห็นปัญญาเห็นตามจริงเห็นตามนั้นว่าจริงๆสิ่งนั้นเป็นอย่างไร ปัญญาตรงนี้ถ้าเราทําให้สมบูรณ์ให้บริบูรณ์มันจะไปสุดที่ไหนมันก็จะไปสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ที่อริยสัจสี่อริยสัจสีเนี่ยเป็นจุดที่สมบูรณ์บริบูรณ์ของเรื่องกําลังคือปัญญาเสรษฐบุคคลผู้ที่กําลังฝึกหัดผู้ที่กําลังศึกษาในการที่จะปฏิบัติจะประพฤติประมาจันที่เป็นรูปแบบที่มาบวชเป็นรูปแบบนต่กลอนผมผมเหลืองหรือประพฤติประมาจันอย่างไม่เป็นรูปแบบอยู่บ้านก็ได้ หรืออาจจะไม่ได้ก้ผมนุ่งขาวแตนะ่เป็นรูปแบบซักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเถอะคุณจะมาทําให้แช้งได้ซึ่งนิพพานคุณต้องมีปัญญาตรงนี้แตนะ่ซึ่งปัญญาตรงนี้ทําไปทําไปมันจะเต็มขึ้นมาก็คือเรารู้อริยสัจสีนั่นเองแลนะเชิงอาการที่เรารู้อริยสัจสี่นะทาผู้ฟังจะสังเกตเห็นว่าในอริยสัจสีเนะี่ยมันมีทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งมันเป็นการรวมของหมดเลยรวมมาตั้งแต่ศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญา อยู่ในส่วนของอริยสัจสินี้พระเจ้าจึงบอกว่าในเรื่องของกำลังของเสขะเนี่ยใน5อย่างเนี้ยไล่มาตั้งแต่สัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยปัญญานี้ถือว่าเป็นยอดปัญญาในที่นี้ไม่ใช่การพิจารณาอย่างเดียวหรือไม่ใช่ขอบเขตถึงเรื่องแค่ว่าเราเห็นเกิดดับอะไรแค่นั้นแต่ยังต่อยอดรวมไปถึงเห็นทุกข์เห็นตัณหาเห็นความดับตัณหาแล้วก็เห็นมรรคเห็นหมดเลย เห็นทั้งสมาถะเห็นทั้งวิปัสนาะนปัญญาตรงนี้คือเห็นไปพร้อมกันหมดเลยเป็นยอดจริงๆนะซึ่งในที่นี้คือกําลังของพระเสกะ5อย่างนะก็เรียกว่าอินทรีย้าก็มีนะหรือกําลังของพระเสกะ5อย่างก็มีที่ฮิริอัตตปะนั้นถูกรวบรวมรวบยอดเป็นสติกับสมาธิแล้วนะปัญญาตรงนี้ก็คืออยู่ในเรื่องของอริยสัจสี่พระชาเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งแต่คุณจะสร้างบ้านเนี่ย คุณจะมีแต่หลังคาก็ไม่ได้คุณจะมีแต่เสาก็ไม่ได้คุณจะมีแต่พื้นเรือนคุณจะมีแต่ฝาบ้านคุณจะมีแต่ประตูก็ไม่ได้มันต้องเอามาประกอบรวมเข้าทั้งหมดแต่ว่าเรือนนี่หลังคามันอยู่สูงที่สุดมันยอดที่สุดมันป้องกันน้ําป้องกันอะไรไม่ให้สิ่งอื่นมันผูกแต่ซึ่งหลังคาตรงนี้เรือนยอดตรงนี้นั่นก็เปรียบเสมือนปัญญาแต่มันต้องมีทั้งหมดนั่นแหละมันถึงจะประกอบเข้าเป็นบ้านได้มันมีทั้งหมดนั่นแหละ คุณถึงจะทํากําลังของเสกขะบุคคลให้เจริญได้แต่ว่าปัญญานี้ก็ถือว่ายอดที่สุดไว้ยอย่างอยู่สูงสุดแต่นี้ในกระบวนการที่เราทำเนะาจะเพึ่งงงว่าเอ๊ะทำไมมี2 อ, อย่างนะฮิริอันชุดที่มีฮิริอัตตปะหนะักก็เรียกกาลังของเสกขะชุดที่ไม่มีฮิริอัตตปะแต่ว่ามีสมาธิแล้วก็สติก็เรียกว่ากําลังของเสกขะนะักก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละในะฮิริอัตตปะเป็นรูปที่ เเราต้องยกขึ้นมาเนะพื่อที่จะบ่งบอกถึงว่าบางทีเราก็สมาธิไม่มีบางทีเราก็สติมไม่มีแต่ยังมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอยู่ในใจนะคุณทําความผิดทําความไม่ดีก็รู้สึกว่าสิ่งนี้นไม่ดีเราไม่อยากทําแนะเราอาจจะทําผิดพลาดบ้างเราอาจจะรักษาศีลได้ไม่เต็มบ้างแต่เราเริ่มมีจิตน้อมไปนะน้อมไปในการที่เราจะทําให้ดีให้ได้แนะตรงนี้แสดงว่าคุณมีสัตตา คุณมีศรัทธาแล้วคุณมีจิตน้อไปในการทำความดีนั่นคุณมีหิริอุตปาด้วยแล้วคุณทำทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างก็ขอให้ทำตัวนั้นคือปัญญาที่คุณเห็นได้เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเห็นความทุกข์ที่ดับไปแล้วเราทำไปทำไปจะทำสติและสมาธิให้เกิดขึ้นได้ทำไปทำไปแล้วคุณจะทำโสตาปฏิยังคัสสีในเรื่องของศรัทธาให้เกิดขึ้นได้ทำไปทำไปคุณก็จะทำสมามารถประทานสีในเรื่องของวิริยะ ให้เกิดขึ้นได้ทำไปทำไปคุณก็จะทำสติปัฏฐานสี่ในเรื่องของสติให้เกิดขึ้นได้ทำไปไม่เว้นทำไปทุกวันนะคุณก็จะทำฌานสี่ในเรื่องของสมาธิให้เกิดขึ้นได้คุณทำไปอีกนัปฏิบัติให้สุดนัคุณก็จะทำบริยสัตสีในเรื่องของปัญญาให้เกิดขึ้นได้ใครที่รู้ครบท้วนหมดจบอย่างนี้น่กชื่อว่าคุณมีกำลังของเซกะเต็มละคุณก็มีกำลังของบุคคลที่จะศึกษานั้น ให้เต็มแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะรู้ตามที่เป็นจริงได้จะถึงความต้องประสงค์แห่งใจในการที่จะละกิเลสได้ในการที่จะละอัศาวะได้ในการที่จะเข้าใจเรื่องของอริยสัจสีได้ละตัณหาได้เข้าใจความทุกข์ได้เดินตามมรรคได้ทำนิพย์ให้แจ้งได้ทีนี้ก็คือว่าถ้าเรายังปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่ถึงปฏิบัติไม่เป็นขอให้เรามีความครบร้ยยำเกรง มีความเคารพยำเกรงในคุณธรรมเหล่านี้มีความเคารพยำเกรงในศรัทธาแต่ใครมีศรัทธาเรายัางเครารพแต่ใครมีฮิริอัตตปะเราก็ยังเคารพมีความเคารพมีความยำเกรงในคุณธรรมเหล่านั้นเราจะสร้างคุณธรรมเหล่านั้นให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เต็มฝังบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ศรัทธาเหราฉันจะไปมีหรอหรือว่าเรื่องของสติเรื่องของสมาธิฉันจะมีได้อย่างไรแต่ก็ตามกระบวนการนี้แหละคุณมีศรัทธาคุณมี ฮิริอตัตปะศรัทธาคุณจะมีได้อย่างไราการมีเพื่อนดีการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆนากรลยณมิตรการฟังธรรมาการคบกับคนดีพวกนี้จะทําศรัทธาให้เกิดขึ้นได้หรือว่าการที่เราศึกษาคําสอนของพระเจ้าให้มีความเคารพให้มีความยำเกรงในเรื่องของศรัทธาในเรื่องของการปฏิบัตินาเราก็จะทําศรัทธาตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้หรือในอีกที่หนึ่งก็พูดถึงเรื่องของความทุกข์ได้แต่ถ้าเราเจอความทุกข เราประสบความทุกข์ที่เราเจอเกิดจะไม่ใช่ว่าทุกแบบถูกตีถูกเงินหายหรือว่าเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่ใช่แค่นั้นแต่เป็นการที่เราเห็นสรรพสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยอาจจะแค่เห็นลมหายใจนะว่าแม้ลมหายใจนี่ก็เป็นทุกข์แม้การที่เราจะต้องไปอาบน้ํำรักษาร่างกายของเราให้มันดีอยู่เสมอนี่ก็เป็นทุกข์ถ้คุณเห็นตรงนี้ให้ถูกถ้าคุณก็ทําศรัทธาให้เกิดขึ้นได้เหมือนกัน อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดในที่นี้ก็คือว่าคุณจะทมหอย่างนี้ท่านฟังไม่ใช่ว่าเสื่อมไม่ได้เสื่อมได้เหมือนกันเราเคยเห็นคนที่ปราศ จ, จากฮิริอุตปศสัทธาแล้วก็วิริยะปัญญาแต่ถ้าเขาเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปนะเขาก็จะหลุดออกจากการประพฤติพรหมจรรย์แต่ใครสักคนในหนึ่งลาสีขาวออไปนักบุชาก็บอกไว้าชัดเจนว่าเออสัทธาฮิริ หัวตะปะวิริยะปัญญานี้เนะี่ร่วงหล่นลงไปเนะี่ยคือไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มีลดลงแตนะ่มันลดลงใ้ความลดลงตรงนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความที่ไม่เที่ยงของมันนะใครที่มีความตั้งมัน่นมีความมั่นใจในการปฏิบัติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอาสาท้าคุณก็เพิ่มขึ้นนะนี่เห็นได้ชัดเจนตัวอย่างที่พระเจ้าได้ยกไว้ก็คือเหมือนกับเด็กที่ที่ยังแบะบอกนอนง่ายอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรหยิบชิ้นไม้ชิ้นกระเบื้องอะไรต่างๆได้พอดีคํา ก็จับใส่ปากหมดจับใส่ปากหมดนะพี่เลี้ยงเห็นก็ต้องรีบเอาออกโดยเร็วพอเด็กนั้นเติบโตขึ้นแล้วนะพี่เลี้ยงก็ไม่ต้องจ้ำจี้จ้ำชัยนะเป็นตัวอย่างที่พระเจ้ายกให้เห็นว่าถ้าภิกษุหรือว่าใครสาวกคนใดในธรรมะวินนี้ในะยังไม่มีศรัทธาไม่มีฮิริโอตปาวิริยะปัญญาเนี่ยก็ต้องคอยบอกคอยพร่ำคอยสอนนะแต่ถ้ามีคุณธรรม5้าอย่างนี้แล้วนะก็จะไม่จ้ำจี้จช้ำชัยมากเกินไปแต่ไม่ใช่ว่า เด็กที่มันโตแล้วเนี่ยมันจะทําผิดไม่ได้มันก็ทําผิดได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอย ร, ระวังตัวนะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทรักษาศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญารักษาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเรานะเอาไว้ให้ดีอย่าประมาทถ้าคุณรักษาคุณธรรม5้าอย่างเหล่านี้เป็นกําลังของเสขะเนี่ยเราเหมือนกับได้รับเทียบเชิญนําเป็นบัตรเชิญให้ไปอยู่บนสวรรค์ เป็นบัเชิญที่คุณกําลังจะไปสู่ทางของเหล่าอริยะบุคคลที่เขาเดินกันไปเราได้รับบัตรเชิญแล้วท่านฟังกระพระธเจ้าขอเชิญขอเชิญให้มาเดินตามทางที่พระเจ้าได้เดินไปแล้วเดินตามทางเหล่าพระปัจเจกพระุทาเหล่าอริยาสาวกที่ได้เดินตามไปทางนี้ท่านไปทางนี้กันทางนี้ไปได้สะดวกเป็นทางกเกษมชอบใจเรามาเดินตามทางนี้เราสบายใจได้เราไม่ได้เดินคนเดียวท่านฟัง ยังมีเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์อีกตั้งเยอะแยะแต่ที่เขาแม้จะทนประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาน้ำตานองหน้าอย่างทนอยู่เขาก็ายังทนเขาก็ายังทำอยู่ตามป่าตามเขาอดมือกินมือบินตบได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังทนประพฤติพรหมจรรย์ขอให้เราสู้ขอใหเราอดทนเราจะไม่เสียใจเลยแต่ามาฟังถ้าเรามานึกถึงไอ้ความที่เรามีหิริอตตะปะ ความที่เรามีศรัทธาความที่เรามีคุณธรรมเหล่านี้แม้มันจะยากมันจะลําบากผ่านมาแล้วเรามานึกถึงความยากความลําบากที่ผ่านมาแล้วเรายิ้มออกเรายิ้มได้เรามีความภูมิใจเพรา ะ, ะนั่นเป็นสิ่งดีๆที่เราทําใครเซคนใดคนหนึ่งอ่านตําราศึกษาหาความรู้จักประแตยปดฟังเทศฟังธรรมเอาถ้ามันยังทรงจําไว้ในเาะสมองผอได้บ้างอ่านแล้วยังไม่ลืมไปนะเข้าแล้วยังไม่ได้ทะลุออกไปหูหนึ่ง แต่ยังทรงไว้ในจําไว้ในสมองเอาความรู้ในสมองนั้นเข้าสู่ใจได้คุณต้องมีข้อนี้ก็พวกนี้ให้ใจของคุณเป็นประธานให้ใจของคุณเป็นหลักให้ใจของคุณเป็นเป้าหมายที่เราจะเข้าถึงทำมาได้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลก็ขอลาไปก่อนถ้าท่านฟังมีคําถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดก็ให้เขียนมาได้นเล็กที่หนึ่งหมู่แปดตบลดอนไทยโศกอาเภอหนองหารจังหวั ด, ดอุดรธานี หบเซีนึ่งหหรือว่าส่งมาทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ที่เพียวธรรม m ดอทคอมพียวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเดรนบอล